วิเคราะห์ความหมายของตรายลักข้อที่4อัตาอตาอนาตตาและอัตตาเนรัตราในสุตตานิบาตมีพุทธพจน์หลายแห่งตรัสถึงพระอาหารหันต์คือผู้บรรลุจุดหมายแห่งชีวิตประเสริฐแล้วหรือท่านผู้ปฏิบัติถูกต้องแล้วว่าเป็นผู้ที่ไม่มีทั้งอัตตาและเนรัตราหรือทั้งอัตตัง และเนรัตตังแปลเป็นไทยง่ายๆว่าไม่มีทั้งอัตตาและไรอัตตาหรือไม่มีทั้งตัวและไรตัวคำพีมหานิเทศอธิบายอัตตาหรืออัตตังว่าได้แก่อัตตะทิฐิคือความเห็นว่าเป็นตัวตนหรือสัสตตทิฐิคือความเห็นว่ามีตัวตนที่เที่ยงแท้ยั่งยืนคงอยู่ตลอดไปและอธิบายนยริรตา หรือเนรตังว่าได้แก่อุเฉตทิฏฐิคือความเห็นว่าตัวตนขาดศูนอีกนัยยะหนึ่งอธิบายอัตตาหรืออัตตังว่าได้แก่สิ่งที่ถือไว้หรือสิ่งที่ยึดถือและอธิบายนิยรัตตาหรือนิรตังว่าได้แก่สิ่งที่จะต้องละหรือปล่อยถือเอาใจความว่าพระอรหันต์ท่านผู้ปฏิบัติถูกต้อง หรือท่านผู้มีปัญญาเข้าใจถูกต้องแล้วย่อมไม่มีทั้งความยึดถือตัวตนและทั้งความยึดถือว่าไม่มีตัวตนหรือไม่มีทั้งความยึดถือว่าตัวตนขาดศูนย์ไม่มีทั้งสิ่งที่ยึดถือเอาไว้และทั้งสิ่งที่จะต้องละต้องปล่อยหรือต้องสลัดทิ้งคำพีมหานิเทศอธิบายต่อไปอีกว่าผู้ใดมีสิ่งที่ยึดถือไว้ผู้นั้นก็มีสิ่งที่จะต้องปล่อยละ ผู้ใดมีสิ่งที่จะต้องปล่อยละผู้นั้นก็มีสิ่งที่ยึดถือไว้พระอระหันต์ล่วงพ้นจากการยึดถือและการปล่อยละไปแล้วความเข้าใจในปุถพจน์และอัฏฐานทีบายข้างต้นนี้จะช่วยให้เข้าใจความหมายของหลักอนัตตาครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้นธรรมดาว่าปุตุชนย่อมมีความยึดถือในตัวตนอย่างเหนียวแน่นอย่างห ย, ยาบๆก็ถือเอารูปคือร่างกายเป็นตัวตน เมื่อคิดลึกซึ้งลงไปเห็นว่าร่างกายเป็นตัวตนไม่ได้เพราะมีความเปลี่ยนแปลงให้เห็นได้ชัดๆต้องๆก็เลื่อนไปยึดเอาจิตหรือคุณสมบัติบางอย่างของจิตเช่นความรู้สึกความจําปัญญาการรับรู้เป็นต้นว่าเป็นตัวตนถ้าใช้ศัพท์ทางธรรมก็ว่ายึดเอาขันใดขันหนึ่งเป็นอัตตาบางทีก็ยึดถือรมรวมๆคลุมๆทั้งกายและใจคือขันห้าทั้งหมดว่าเป็นตัวตน บ้างคิดแยบยลลึกซึ้งต่อไปอีกว่าทั้งกายและใจหรือขันหมดทั้งห้าเป็นตัวตนไม่ได้แต่มีตัวตนอยู่ต่างหากเป็นอัตตาหรืออาตามันตัวแท้ตัวจริงเป็นแก่นเป็นแกนของชีวิตซ้อนอยู่ภายในขันห้าหรืออยู่นอกเหนือจากขันห้าแต่เป็นตัวครอบครองควบคุมอยู่อีกชั้นหนึ่งเจ้าลัทธิและนักปราชนเจ้าปัญญาผู้สามารถทั้งหลายพากันคิดค้นเรื่องตัวตนนี้ โดยโยงเข้ากับการค้นหาสภาวะแท้ที่มีอยู่จริงในขั้นสุดท้ายหรือตัวสัจธรรมหรือบรมธรรมบางท่านก็ประกาศว่าตนได้เข้าถึงสภาวะที่แท้จริงนั้นแล้วอันเป็นตัวแท้ตัวจริงเป็นอัตตาหรืออาตมันสูงสุดอย่างที่บัญญัติเรียกว่าปรมาตามันบ้างพรมันบ้างพระผู้เป็นเจ้าบ้างต้องยอมรับว่าเจ้าลัทธิและนักปราชเล่านั้น เป็นเจ้าความคิดอย่างสูงมีความรู้ความสามารถมากอย่างที่ท่านเรียกว่าเป็นสมณะพรามผู้ประเสริฐหรือเป็นเจ้าทฤษฎีชั้นพรมและสภาวะที่ท่านเหล่านั้นกล่าวถึงก็ประณีตลึกซึ้งอย่างยิ่งแต่ตราบใดที่สภาวะนั้นยังมีความเป็นตัวตนติดอยู่หรือยังเป็นเรื่องของตัวตนก็พึงทราบว่ายังไม่ใช่สภาวะที่จริงแท้ไม่ใช่ปรมัต ธ, ธรรม ไม่ใช่บรมธรรมเพราะยังถูกเคลือบคลุมและยังผัวพันด้วยความยึดถือสภาวะจริงแท้นั้นมีอยู่ไม่ใช่เป็นความสูญสิ้นไม่มีอะไรเลยแต่ก็ไม่ใช่เป็นสภาวะที่จะเข้าถึงหรือประจักษ์ได้ด้วยความรู้ที่ถูกกั้นบังให้พร่ามัวหรือบิดเบือนโดยภาพเก่าๆที่ผิดพลาดและด้วยจิตที่ถูกจุดรังไว้้วยความยึดติดในภาพเก่าที่ผิดพลาดนั้นการที่สมณะพรามผู้ประเสริฐ หรือเจ้ารัธิชั้นพรมจํานวนมากไม่สามารถรู้แจ้งแทงตลอดถึงสภาวะแท้จริงขั้นสุดท้ายก็เพราะว่าแม้ว่าสมณะพราหมณ์หรือเจ้ารัธิเจ้าทฤษฎีเหล่านั้นจะรู้ชัดแล้วว่าตัวตนระดับกายใจชนิดที่เคยยึดถือมาก่อนไม่ใช่เป็นสภาวะที่จริงแท้และไม่ยอมรับแม้กระทั่งขันห้าแต่ท่านเหล่านั้นก็ยังนําเอาเครื่องพรางตาตัวเองสองอย่างของปุถุชนติดตัวไปด้วยตลอดเวลา ในการค้นหาสภาวะแท้จริงขั้นสุดท้ายกล่าวคือเครื่องพรางตาของผู้ตุชนอย่างที่หนึ่งบัญญัติแห่งอัตตาคือมโนภาพของตัวตนที่เป็นคราบติดมาตั้งแต่ครั้งยึดติดในตัวตนหยาบระดับร่างกายแม้มโนภาพนี้จะละเอียดประนีตขึ้นมากเพียงใดมันก็เป็นภาพอันเดียวกันหรือเทือกเทาเดียวกันอยู่นั่นเองและเป็นภาพแห่งความหลงผิด ซึ่งเมื่อเขาไปเกี่ยวข้องกับสภาวะใดๆเขาก็จะเอาบัญญัติหรือมโนภาพอันนี้ไปป้ายหรือฉาบทาสภาวะนั้นทำให้มีสิ่งกั้นบังเกิดความพร่ามัวหรือบิดเบือนและทำให้สภาวะที่เขาเข้าใจไม่ใช่สภาวะแท้นั้นเองที่ล้วนๆบริสุทธิ์เครื่องพรางตาของปุถุชนอย่างที่สองความยึดติดถือมั่นหรืออุปาทานซึ่งเขามีมาแต่เดิม ตั้งแต่ยึดติดในอัตตาอย่างหยาบๆาขั้นต้นซึ่งเป็นความหลงผิดอยู่แล้วเขาก็ยังพาเอาความยึดติดนี้ไปด้วยและนำไปใช้ในการสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสภาวะที่จริงแท้ความยึดติดในภาพตัว ต, วตนนี้จึงกลายเป็นเครื่องจุดรังเขไว้ให้ไม่อาจเข้าถึงสภาวะที่จริงแท้นั้นได้ถ้าพูดอย่า ง, งสั้นๆก็คือสมณะพราหมณ์หรือเจ้าทฤษฎีเหล่านั้นยังไม่หลุดพ้นนั่นเอง ยังไม่หลุดพ้นจากบัญญัติหรือภาพที่หลงผิดและยังไม่หลุดพ้นจากความยึดติดถือมัน่นซึ่งว่าที่จริงก็พันกันอยู่เป็นเรื่องเดียวกันคือพูดรวมเข้าด้วยกันได้ว่าพวกเขาหลงผิดหยิบเอาภาพอัตตาที่ติดมาจากอุปาทานเดิมของตนไปปิดทับสภาวะหรือกระบวนการที่มีอยู่ตามธรรมชาติเสียเลยวนเวียนติดตันอยู่ตามเดิมความหลุดพ้นนี้เป็นเงื่อนไขาสาคัญที่จะทาให้เข้าถึง หรือรู้ประจักษ์สภาวะที่จริงแท้ได้เพราะสภาวะจริงแท้ขั้นสุดท้ายหรืออสังคตธรรมมีภาวะตรงข้ามกับสภาวะฝ่ายปรงแต่งหรือสังคตาธรรมเป็นสภาวะที่ถึงเมื่อสภาวะฝ่ายสังคตะสิ้นสุดลงคือเป็นสภาวะที่จะเข้าถึงเมื่อละความยึดถือในอัตตาได้แล้วแม้แต่จะพิจารณาในระดับสังคตธรรมคือสังขาร เมื่อพิจารณาตามแนวพุทธธรรมดังได้บรรยายมาแล้วข้างต้นว่าอัตตาหรือตัวตนเป็นสิ่งสมมติสภาวะที่จริงแท้ย่อมเป็นสิ่งตรงข้ามกับสมมติเป็นคนละเรื่องคนละด้านกันอัตตามีสําหรับสิ่งสมมติเมื่อพ้นจากสมมติจึงจะเข้าถึงสภาวะจริงแท้สภาวะจริงแท้ก็คือไม่เป็นอัตตาพูดง่ายๆอย่างชาวบ้านว่าของจริงต้องไม่เป็นอัตตา ถ้าอย่างเป็นอัตตาก็ไม่ใช่ของจริงหรือพูดอีกสำนวนหนึ่งว่าพอพ้นสมมติอัตตก็หมดพอเลิกยึดอัตตาก็หายตัวการสำคัญของความหลงผิดก็คือบัญญัติหรือภาพของอัตตากับความยึดติดถือมั่นหรือความยึดถือในเมื่ออัตตาหรือตัวตนไม่มีอยู่จริงเป็นเพียงของสมมติมันจึงเป็นเพียงสิ่งที่ถูกยึดถือเอาไว้ฉะนั้น ในสุตตานิบาตที่อ้างข้างต้นคำว่าอัตตาหรืออัตตังจึงแปลได้สองอย่างคือแปลว่าตัวตนหรือการยึดถือตัวตนก็ได้แปลว่าสิ่งที่ยึดถือเอาไว้ก็ได้หมายความว่าตัวตนก็คือสิ่งที่ยึดถือเอาไว้เท่านั้นเองมิใช่สภาวะที่มีอยู่จริงอีกประการหนึ่งในสุตตนิบาตที่อ้างถึงนั่นแหละท่านกล่าวถึงอัตตาคู่กับนินราตา หรืออัตตังคู่กับเนรัตตังและบอกว่าพระอรหันต์หรือผู้ปฏิบัติชอบไม่มีทั้งอัตตาหรืออัตตังและไม่มีทั้งเนรัตตาหรือเนรัตตังเนรัตตาหรือเนรัตตังก็แปลได้สองอย่างเช่นเดียวกับอัตตาหรืออัตตังคือแปลว่าการยึดถือว่าไม่มีอัตตาหรือการถือว่าอัตตาขาดศูนย์ก็ได้ แปลว่าสิ่งที่จะต้องปล่อยละหรือสลัดทิ้งก็ได้ข้อนี้หมายความว่าเมื่อไม่ยึดถือว่ามีอัตตาแล้วเลิกความเห็นผิดยึดถือผิดต่อสิ่งสมมติได้เสร็จแล้วก็แล้วกันจบเท่านั้นไม่ต้องไปยึดถืออีกว่าไม่มีอัตตาตัวเองจะเป็นอิสระสบายดีอยู่แล้วแต่ไปจับยึดสิ่งที่พาให้ผิดเข้าเมื่อเลิกจับเลิกยึดได้แล้วก็จบเรื่องไม่ต้องไปจับไปยึดอะไรอีก เมื่อไม่มีสิ่งที่ยึดถือเอาไว้ก็ไม่มีสิ่งที่จะต้องละต้องปล่อยเหมือนดังพุทธพจน์ในตัววตตกะสูตรขุตตกนิกายสุตานิบาต ท, ที่ว่านัตติอัตตากุโตเนรัตตังวาสิ่งที่ยึดถือไว้ก็ไม่มีแล้วสิ่งที่ต้องปล่อยละจะมีมาแต่ที่ไหนพึงสังเกตด้วยว่าถ้าจะพูดกันให้ถูกต้องจริงๆแล้วแม้แต่คําว่าความยึดถืออัตตาก็ใช้ไม่ได้ ต้องพูดว่าความยึดถือในภาพของอัตตาหรือยึดถือบัญญัติแห่งอัตตาเพราะอัตตาเป็นเพียงสิ่งสมมติไม่มีอยู่จริงในเมื่ออัตตาไม่มีอยู่จริงก็เพียงไม่ยึดถืออัตตาหรือไม่ยึดถือว่ามีอัตตาหรือไม่ยึดถือบัญญัติของอัตตาเท่านั้นไม่ต้องละอัตตาเพราะไม่มีอัตตาที่จะยึดถือได้จะไปละอัตตาที่ไหน การถืออัตตาหรือถือว่ามีอัตตาก็คือการสร้างภาพอีกอันหนึ่งขึ้นมาซ้อนสภาพความเป็นจริงที่มีอยู่เป็นไปอยู่สิ่งที่จะต้องทาก็เพียงเลิกสร้างภาพนั้นเท่านั้นถ้าไม่เลิกสร้างภาพนั้นแม้เลิกยึดอย่างหนึ่งแล้วไปจับสิ่งอื่นอะไรก็ตามก็จะเอาภาพหรือคราบของอัตตาไปปะติดหรือป้ายหรือฉาบทาสิ่งนั้นให้ไม่เห็นตัวจริง หรือเห็นผิดเพี้ยนไปดังนั้นกิจที่จะต้องทำก็คือถอนเลิกความยึดติดถือมั่นในภาพอัตตาที่เคยมีแล้วไม่ยึดอะไรใหม่ว่าเป็นอัตตาและทั้งไม่ตกไปในเนิรัตตาก็จะมีแต่สภาวะแท้ที่มีอยู่จริงซึ่งไม่เกี่ยวไม่เป็นไปตามไม่ขึ้นต่อความยึดถือของตนในเมื่อตัวตนเป็นสิ่งสมมติเป็นบัญญัติเพื่อประโยชน์ในการสื่อสาร ถ้าเราเพียงแต่รู้เท่าทันใช้โดยไม่ยึดติดมันก็ไม่มีพิษสง์ไม่ก่อให้เกิดโทษความเสียหายอันใดและถ้าเราเคยยึดถือมันก็เพียงแต่เลิกยึดเท่านั้นเมื่อไม่มีการยึดแล้วก็เป็นอันจบเรื่องไม่ต้องเอาภาพอัตตาไปใส่ให้อะไรอีกไม่ต้องไปคว้าเอาอะไรมายึดเป็นอัตตาอีกตลอดจนไม่ต้องไปค้นหาอัตตาที่ไหนอีกเพราะฉะนั้น ภาระของการสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีเพียงแค่ทรงสอนให้เลิกยึดถืออัตตาที่ยึดถืออยู่แล้วเท่านั้นคือให้เลิกยึดถือขันห้าเป็นอัตตาเมื่อเลิกยึดอัตตาแล้วก็เป็นอันหมดเรื่องกับอัตตาตอนนั้นไปก็เป็นเรื่องของการเข้าถึงสภาวะที่จริงแท้ซึ่งมีอยู่แต่ไม่เกี่ยวอะไรกับอัตตาจึงเรียกว่าเป็นอนัตตา เป็นเรื่องพ้นจากการยึดถืออัตตาแล้วและก็ไม่ต้องไปยึดถือต่อไปอีกว่ามีอัตตาหรือไม่มีอัตตาสิ่งที่ไม่มีเมื่อรู้ว่าไม่มีแล้วก็เสร็จเรื่องกันจากนั้นก็เข้าถึงสิ่งที่มีจริงหรือสภาวะจริงแท้คืออสังขตธรรมซึ่งไม่ต้องพูดถึงอัตตาอีกต่อไป